อต่อนนี้ไปโอลดาเพิ่มขึ้นิสูดนสมณีนเดริดาญายโยมพุทธบริษัิรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ได้พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐานแล้วก็พอพูดถึงนิมิตถึงนิมิตของฌานคือนิมิตอย่างพระพุทธรูปถ้าเรามองเดียวสีเสเหลือง เกิความจริงถ้าดูไปดูไปพิจารณาไปเห็นภาพไปในที่สุดถ้ายังเป็นสีเหลืองอยู่ยังถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเบื้องต้นถ้า ต, ต่อไปต่อไปสีเหลืองจะคลายทีละน้อยทละน้อยละ น, น้อยคลายไปหาขาวจนทั้งขาวผ่องใสจริงๆริงจริงที่ว่าเต็มอุปจาระสมาธิ แล้วก็ในตอนนั้นตามหลักปฏิบัติท่านได้ฝึกกาลังใจว่านึกถึงภาพพระพุทธรูปให้อยู่สูงขึ้นไปภาพพุทธรูปก็จะสูงให้ไปอยู่ท้งซ้ายอยู่ท้งขวาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังจะเป็นไปตามนั้นแล้วนึกขอรัตนนายขหภาพพุทธรูปใหญ่ขึ้นภาพใหญ่ขึ้นตามต้องการ คอยนึกให้ภาพเล็กลงภาพก็จะเล็กลงตามตรงการอย่างนี้ชื่อวเต็มกําลังของอุปจาระสมาธิคำวมาอุปจาระสมาธิก็คืออุปจารชานคำวมาอุปจารชานก็คือหมายว่าใกล้จะเข้าถึงฌานสมาบัติและต่อไปถ้าภาพวัตถุนั้นกลายเป็นแก้ว เป็นแก้วใสทั้งองค์อย่างนี้เป็นชานแต่อย่าลืมว่าการทรงสมาธิก็ดีการทรงชานก็ดีจะอยู่ไม่นานนักสักประเดี๋ยวเดียวภาพก็จะเลื่อนก็จะหายไปแต่การที่จะทรงชานทรงสมาธิได้ดีจริงๆต้องมีการฝึกเป็นพิเศษเขาฝึกการตั้งเวลา อยาสมัยก่อนถ้าไม่ได้ใช้ในาฬิกาไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกท่านใช้เอาสตางค์เข้าไปติดเข้าที่เทียนแล้วก็จุดเทียนหลับตาภาวนา น, นึกถึงภาพอะไรก็ได้ตาตามตามกรรมฐานนั้นนั้นแลล ว, ว่าติดใกล้ๆ ก, ก่อนแต่เมื่อเทียนหลน่นเต้งแอลสตางค์หล่นออกมาสแสดงว่าเทียนไหม้ไปถึงสตางค์แล้ว ก่อนที่เทียนจะไหม้ไปถึงจะพยายามควบคุมอารมณ์ใจไม่เคลื่อนไปที่อื่นให้ทรงอยู่ในส่วนของสมาธิแต่การทําอย่างนั้นก็ประเชวันทั่วันต้องทํากับหลายๆวันให้จิตชินการติดเทียนใกล้ๆอย่างนั้นต้องทําจนชินในที่สุดเมือนั่งเเริ่มนั่งปั๊บจิตจับสมาธิได้ทันทีทรงตัว แล้วก็ไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่าไฟจะไหม้เคียนไปถึงสตังตะตงหลน่นต่อเมื่อมีความจำนานญมากขึ้นก็ยับให้ยาวลงมาตามลำดั บ, ดบสำัเวลานี้เราจะใช้เวลาตั้งตั้งต้ชนีกาตั้งเวลาก็ได้การทรงสมาธิต้องฝึกเป็นพิเศษแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็อยาขอพูดถึง อ, อาการของอุปจาระสมาธิ คำสมาธิประการตั้งใจตั้งใจนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติตั้งใจเห็นสีพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองเป็นเกสินเรียบอุตกระกะสินตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยอนาป า, านุสตินี่การตั้งใจก็สุดแล้วแต่กำลังใจจะทรงได้นานหรือไม่นาน ต่อมาการตั้งใจได้ระยะเวลาเล็กน้อยอย่างภาวนาก็าดีพิจารณาก็ตามแล้วรารู้ลมให้ใจเขาออกก็าตามใช้เวลาได้เล็กน้อยจิตก็เคลื่อนไปอย่างนี้ท่านเรียกว่านิกะสมาธิพ อ, อสมาธิมีกำลังสูงขึ้น มีการเอิบอิ่มมีความปลื้มใจมีความเต็มใจไม่อิ่มในเบื่อในการทำอย่างนี้เข้าถึงเขตอุปจารสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานถ้าตามลักษณะการปฏิบัติเรียกว่าปีติปีติแป็ความอิ่มใจเกิดขึ้น การถึงปีตินี่จะมีความเอิบอิ่มใจไม่อยากอิ่มไม่อยากเบื่อไม่อยากเลิกอยากจะทำเรื่อยๆตั้งใจทำสมาธิอะไรก็ได้เหมือนั้นบางทีทางานทำการอยู่มือกาลังทางานใจเริ่มตั้งสมาธิขณะทางานสมาธิก็ทรงตัวแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนักก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการเข้าสมาธิได้เร็ว การเข้าสมาธินะั้นท่าเร็วเท่าไหร่ก็ยิง่งดีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงปีติพอเข้าถึงปีติแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนควรจะทราบว่าอาการเขาปีติจริงๆนะั้นมีห้าอย่างเลื่อาการเขาปีติที่ก็มีหลายคนที่มีความไม่เข้าใจ พอถึงอาการของปีติเข้าบางคนก็หนักใจบ้างทุกใจบ้างคิดจะเป็นอะไรอยากจะเลิกใชบ้างอยากจะทําให้ใครตัวบ้างความจริงถ้าสมาธิถึงตอนนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาการของปีติก็เป็นไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบางคนก็สัมผัสอย่างเดียวบ้างบางคนสัมผัสสองอย่างสาอย่างบ้างอาการของปีติจริงมีห้ายอย่างก็มีพวก มีพวกปรัชนาพุทธภูมิเข้าไปถึงขั้นสูงยองจะผ่านปีติทั้งห้าอย่างอาการเขาปีติอันดับแรกก็คือหนึ่งขนพองสยองเกล้าวในกหมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่สักครู่หนึ่งประเดียวหรือประเดียวเดียวก็ตามจะมีอาการขนลุก้ซ่ซาทั้งตัวแต่จิตใจเริ่มไปสุขมากขึ้น อาการอย่างนี้แปลการเขาปีติตอนที่หนึ่งจนันนิบรรดาญาโยโมและท่านผทักปฏิบัติทุกท่านจะเพิงทราบว่าเวลานั้นอาการคนลุกสู้เศราเกิดขึ้นเขาตามแต่ว่าจิตใจจะมีความเป็นสุขมากสมาธิจะทรงตัวมากให้ทราบว่ า, านั่นแปลการของปีติไม่ใช่อาการผีหลอก บางคนก็เข้าใจว่าเบียรการผิดปกติอยาแแจการนั้นเลิกไปแต่ถ้าว่าถ้าอาการคขาสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นลําดับนั้นอาการนั้นก็จะปรากฏอยู่เวลาที่จะริยนสมาธิแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จงอย่าใจเข้บบาไปบังคับเพราะนั่งปับอาการอย่างนั้นยังไม่ปรากฏก็คิดอยากจะให้มันปรากฏอันนี้หยุบงสัน้นใช้ไม่ได้ ก็จงอย่าสนใจเดมันอาการจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ตามเรามีหน้าที่รู้ลมให้ใจเข้าออกมีหน้าที่รู้คำภาวนาก็ตั้งใจจับที่ลมให้ใจเข้าออกจับที่คำภาวนาในขณะที่จิตเข้าถึงปีติตอนนี้เป็นอุปจาระฌานจิตเริ่มเป็นทิพย์ตอนที่จิตเป็นเริ่มเป็นทิพย์ดีอาจจะมีภาพปรากฏ ทางใจแต่ว่าเราคิดว่าเป็นทางตาบางท่านเห็นภาพสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างบางทีก็เห็นภาพเป็นพระพุทธเจ้ารอยมาบ้างพระรูปรอยมาบ้างเห็นเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นวิมานบ้างภาพทั้งหมดที่ปลายกฎในพระวจิตเราเริ่มเป็นทิพย์ แต่ได้ว่าภาพที่ปรากฏขึ้นนี้จะมาแป๊บเดียวก็หายไปทุกคนยังอย่าสนใจในภาพความจริงที่หายไปในะภาพของไม่ได้หายที่หายไปคือกำลังใจละเอียดภาพเขาเกิดความตกใจจิตสะดุดลดจากสมาธิส่วนนั้นต่ำลงมาก็ไม่สามารถจะเห็นได้ อารมณ์ใจที่ไปทิพก็มีอยู่จุดเดียวเฉพาะอุปจารสมาธิฉะนั้นขอทุกคนมาแปลกรุภภาพอย่างใดยงหนึ่งเกิดขึ้นจงอย่าสนใจในภาพอาจิตเข้าหันเข้ามาจับรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาไปตามเดิมให้สังเกตว่าถ้าจิตเรายังทรงตัวระยะนั้นมีสมาธิระยะนั้นภาพจะยังอยู่ ถ้าจิตเซนสมาที่ลดต่ำลงมาภาพจะหายไปตอนนี้ก็มีความสาคัญในคนบ้ากับตอนนี้ก็มากเขาติดในภาพเคยเห็นภาพสวยสดงดงามก็เริ่มติดใจในภาพในตอนวันหลังๆเริ่มปฏิบัติใหม่ตั้งใจนึกอยากจะเห็นภาพมันก็ไม่เห็น ในเมื่อไปเห็นก็มีความกระยันมั่นเพียนมากขึ้นนั่งนานเข้าปฏิบัตินานเข้าไม่พักไม่พอรอยากเห็นภาพไม่ก็ไม่เห็นในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอากาความกลุ่มเป็นโรคประสาทอันนี้ตระวังเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องไม่สนใจในภาพาให้การอยากมาจิตฟุง้งซ่านต้องสังเกตให้ดีว่าภาพที่เราจะพึงเห็น เป็นอาการที่เราไม่ต้องการอะไรเลยเป็นอาการที่เราต้องการรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อจิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกรู้เฉพาะคำภาวนา เ, นเวลานั้นจิตก็ว่างจากจากิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมใจก็เริ่มเป็นทิพย์ในเมื่ออารมณ์ใจเริ่มเป็นทิพย์ก็สามารถเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้ตอนนี้เราวัง นอ่อาการเขาปีติที่สองคื อ, อน้ำตาไหลปีติขั้นที่สองถ้าพากวดกับใครอย่างนี้จะมีน้ำตาไหลเพราะเริ่มทำสมาธิจิตเริ่มไปสุขเข้าถึงจุดนี้แล้วน้ำตาจะไหลแต่บางคนมีปีติทรงตัว เมื่อเลิกจากเจริญสมาธิไปแล้วไปคุยกับใครเข้าจิตเกิดความปลื้มน้ําตาไหลบางคนมารายงานบอกว่าร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้นี่เป็นอาการของการเสียใจและดีใจเกินไปเสียใจเกินไปยิงร้องไห้อาการอย่างนั้นเป็นอาการที่ปีติกรรมาฐานคือความอิ่มใจ ท่านขอบัดาท่านพุทธบสัตย์นั่งหลายถ้าอาการอย่างนั้นประปากฏขึ้นมนยันน้ตาจะไหลก็ป ล, ลป่อยให้มันไหลไปจีร่ว่าขณะที่ขนลุกโซ่สาก็ตาลน้าตาไหลก็ตาเวลานั้นจิตเป็นสุขคือเข้าถึงปีติมาถึงปีติก็เข้าสุขเป็นอาการใกล้จถึงฌานตอนนี้อาการที่สามของปีติก็มีการโยกโครงร่างกายโยกโครง เวลาเริ่มทำสมาธิพอจิตใจเริ่มจะใช้งานได้พอเริ่มเข้าทุกปีติปี ต, ต, ติมีกำลังสูงขึ้นร่างกายจะโยกไปโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลังบางทีโยกไปหัวก็ใกล้จะถึงพื้นแต่มันก็ไม่ล้มมันก็เงยไม่ได้เองลวโยกซ้ายโยกขวาเป็นตน้นอาการอย่างนี้ก็มีหลายๆายคน ทมีความเข้าใจว่าเกิดอาการวิปริตวิปริตกับร่างกายอยากจะให้เลิกความจริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นได้เมื่อขณะใดถ้าจิตเข้าทั้งปีติสนนี้แล้วจิตมีความเอิบอิ่มจิตมีความสุขเข้าถึงขั้นใน่สี่ของวัฏสงฆ์ฌานกําลังจะเข้าวัฏสงม์ฌานอยู่เป็นความดี ก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องหงุดงิดว่าร่างกายไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปยังไงก็ช่างขอวมันเมื่อการเจริญกรรมาฐานเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขคำว่าจิตเป็นสุขหมายความเวลานั้นกิเลสไม่ยุ่งกับจิตจิตห่างจากกิเลสเมื่อจิตห่างจากกิเลสกังวนมันก็ไม่มีมีลมความสุขร่างกายไปยังไงก็ช่าง ถ้าปีติก้าวสูงขึ้นไปอาการโยกทางร่างกายจะไม่มีหรือว่าถ้าจิตลดลงจากปีติส่วนนี้อาการโยกก็จะไม่มีเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีอาการโยกไปโยกมาโยกไปร่างกายก็ปล่อยไปตามเรื่องคุมใจไว้ทรงตัวอาการทรงใจให้คุมใจทรงตัวสังเกตว่าขณะนั้นถ้ายังมีความเอิบีมอยู่มีความเพิ่มใจแปลงกายเขาปีติ ถ้าเวลานั้นพร้อมๆกับความอิ่มใจเกิดความสุขอย่างยิ่งยอดยิ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยพบปริการก่อนอยังนั่งเข้าเที่สุขของกรรมาฐานในปฐมไม่ชานและต่อไปก็อาการกาปาป็ปีติข้อที่สนี่จะคำว่าเพ่งคาปีติปีติข้อที่สนี่ถ้าตามแบบท่านบอกว่าจะมีการตัวลอยขอโมยจักร ส่วนที่ปฏิบัติจริงๆจะเต้นฟึ่งปังคงครางคล้ายๆกระปุกพระบางรายก็มีการยืนขึ้นบังทําท่านู่นทําท่านนีนททน้บ้างแต่ว่าจิตเป็นสุขจิตมีความเอื้อิีนจิตมีความมีสุขมากและบางท่านเหมือ น, นั่งแล้วพระจิตทรงตัวในด้านนี้ก็ตัวลอยขึ้นบนอากาศถ้าตัวลอยมันก็ลอยสูงตามกาลังยัง เรื่องีิหารี่มีเพดานถ้ามันลอยสูงขึ้นไปชี้สายไปกระทบเพดานมันจะกระทบเบาๆมันก็อย่าลอยกลับมันดั่งที่เดิมตามเดิมมันจะไม่ไปไหนให้การนั่งเรูงตูวเหมือนเก่าทุกอย่างร่องรอยเดิมจะไม่ขาดใ้การเต้นเมื้อบุกพระก็ดีในการตัวลอยเมืออากาศก็ดีเป็นเป็นปีติปีสี่เ็เรียกว่าเนคาปีติ นี่ถ้าอาการเป็นอย่างนี้จิตมันก็เป็นสุขมากขึ้นเขาจงอย่าอย่าอย่าคิดว่าอยากจะเลิกจากมันก็ปล่อยมันไปถ้าจิตสูงขึ้นไปก็อาการนี้ก็จะหมดจ ะ, จะอย่างโงนจะเลิกไปต่อไปก็เป็นอาการข้อปีติที่ห้าที่เรียกกันว่าพระนาปีติ <c oughs> อาการข้ปีติที่ห้านี้อันดับแรกจะมีความรู้สึกว่ามีความสดชื่น เป็นพิเศษร่างกายจะรู้สึกว่าร่างกายใหญ่จะสูงขึ้นหน้าตาจะใหญ่ขึ้นหน้าตาจะใหญ่ใจจะสูงเป็นความรู้สึกนะแล้วก็ยมีเหมือนกคล้ายลมออกจากร่างกายริ้วริวริวริว ร, ว ร, วรวิกายจะเบาเขาไปทีนหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยในที่สุดถ้าถึงที่สุดการกระทำทางปีติกองนี้จะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหลือเลย ทางร่างกายจะไม่มีความรู้สึกเลยจะมีรู้ความรู้สึกวอาหน้ากับหัวมันโตใหญ่เป็นพิเศษแต่ก็จะมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมจิตจะมีความปราบรื้มจิตจะมีความสุขมากอาการอย่างนี้แปลการเขาปีติที่ห้าที่เรียกว่าปรณาปีติแล้มาข้าวันดาญาโยงพระธรรมจัทรับฟังอีกทบัท บ, ทบครบคนอีกข้างหนึ่งว่าอาการปิติที่ห้าคืนหนึ่ง ขนพองสยองกล้าวคืขขอขนลุกโซซาสองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยโครงสี่ตัวลอยขึ้นปอากาศห้าอาการทราบสันเอานนั้นว่าปีติทั้งห้าอย่างนี้ก็จะไม่ปลายกว่าแก่ทุกคนทั้งห้าอย่างเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อปรารถนาพุทธภูมิ และก็เป็นพุทธภูมิขั้นสูงใกล้บารมีเต็มจะต้องผ่านปีติทั้งห้าอย่างนี้เพราะพุทธภูมิเป็นตรักวิชาครูจำเป็นต้องไปสอนคนอื่นฉะนั้นอะไรจะมีบ้างต้องกระทบหมดเมื่อการทั้งปีติทั้งห้าอย่างแลค้คงกำลังใจกำลังใจแบบสบายอย่าสนใจกับอย่างอื่น อย่างนี้ถ้าเข้าถึงปีติจิตก็จะเข้าถึงฌานเป็นของง่ายแล้วใกล้มากพอจิตเข้าถึงปีติคือมีความอินใจสังเกตให้ดีนะหลังจากนั้นไปอารมณ์ก็จะมีความสุขอารมณ์มีความสุขยอดเยี่ยมจุดที่อารมณ์มีความสุขถึงยอดเยี่ยมจิตก็จะมีการทรงตัวไม่นึกถึงอาการภายนอก นอกจากคำภาวนารู้ลมรู้ล ม, มให้ใจเข้าออกหลังจากนั้นจิตจะเข้าสู่ระดับของฌานปฐมฌานถ้าจิตเข้าสู่ระดับของปฐมฌานก็สังเกตได้ว่าหูเราดินเสียงไายนอกทุกอย่างอย่างเวลานี้อย่างนกร้องนอกร้องเราได้ยินคนพูดเราได้ยินเขาร้องราทำเพลงเราได้ยินแต่ว่าเวลานั้นทั้งหมดระหู หัวได้ยินแต่ใจไม่สาคัญในเสียงอย่างนี้แปลการของมอทงแบบัทมวชานถ้าสำหรับสำหรับการแนะนํากรรมฐานทั่วไปก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะตอนนี้ไปก็ขอแนะนําเรื่องการปฏิบัติเรื่องมโนโยิธิ <c oughs> ที่พูดมาเมื่อกี้นี้เป็นกรรมฐานทุกระดับเท่างสี่หมวดจะต้องมีอาการเหมือนกันต้องรับรู้รับทราบไว้ก่อน สำหรับมโนยิธิที่บรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นหมวดที่สามของกรรมฐานที่เรียกว่ามโนยิธิแปลว่าวีริษทานใจการปฏิบัติระดับแรกก่อนภาวนาใอ้ญาติโยมทั้งหมดตั้งใจแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงทั่วจักรวาลทั่วโลก ให้มีความรู้สึกตัณรงใจว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนแลสัตว์ทั้งโลกไม่มีสัตว์ตนใดไม่มีบุคคลตนใดที่เราจะเป็นศัตรูกับเขาถ้ามีกําลังใจคิดนี้อารมใจใจะเป็นสุขในเมื่ออารมใจเป็นสุขแล้วหลังจากนั้นขอบรรดาลแต่พุทธบริษัททุกคนตั้งใจรู้ลมไม่ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าสั้นก็รู้ให้ใจออกสั้นก็รู้เอาแค่รู้ <c oughs> หลังจากนั้นก็เริ่มคำใช้ธรรมบวนาควบคู่กันไปคํามบวนาก็มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องโยงใจชิด กำหนดให้ทราบว่าเราจะมีสมาธิแลือไม่มีสมาธิข้ณะที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเราเรียกกันว่าอนาปานุสติกรรมฐานถ้าหากว่าพอ ร, รู้คําบรรณาด้วยคําบรรณาก็คือใช้คำบรณำบรณาว่าณมะปาทะใช้คําบรรณาสี่คำให้ใจเข้านึกว่าณนะมะให้ใจออกนภาทะ เวลาที่จิตเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าออกต้นช้อจงยาบังคับอารมณ์ใจอย่าบังคับร่างกายเพราะร่างกายให้ใจแรงก็ตามให้ใจส่านเบาก็ตามปล่อยไปเรื่องของร่างกายถ้าเอาใจถ้าไปบังคับร่างกายว่าให้ใจเบาเกินไปเรารู้น้อยให้ใจแรงอย่างนี้จะเหนื่อยผิดจิตฟุ้สร้าง รวมความว่ารู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมคำภาวนาควบคู่กันไปหายใจเข้านึกวันนะมะจะเอาเนื้อพระแทะ้ใการเจริญกรรมาฐานบทนี้จะต้องได้ทิพยานก่อนคําว่าทิพย์เดีคุยานไม่เดีแปลลูกตาเป็นทิพย์คำว่าทิพยานหมายถึงความรู้สึกทางใจใคล้ายตาทิพย์ก็ยานนี่ไปว่ารู้ แล้วเรเรามีร่างกายเนื้อเรมีตาเป็นทิพไม่ได้ไม่เหมือนเทวดานางฟ้ารูปยปุ่มถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ถ้าก็มีตาเป็นทิพย์ได้ <c oughs> คำว่าทิพย์กุญใจเกิดนี่ไม่ได้เกิดระหว่างภาวนาจะไม่เกิดระหว่างรูลง้ลมหายใจเข้าออกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตว่างจากกิเลส มันอาจจะว่างโชคคราวเลิกแล้วกิเลสเกาะใหม่ก็ไม่เรื่อเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแต่ตอนปฏิบัติให้มันว่างจากกิเลสขณะได้ทางเวลานั้นจิตสะอาด จ, จากกิเลสน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกแต่จิตไม่เห็นภาพการเห็นภาพแต่จิตเห็นไม่ใชตาเห็ น, หนถ้าความจิตสะอาดจากกิเลสปากลาง จิตจะเห็นภาพแต่ว่าเห็นภาพไม่ชัดเจีจิตมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพมากถ้าต้องการให้จิตสะอาดไวๆจิตสะอาดมากๆก่อนภาวนาขบนาันดาญาโยมพุทธบริษัทหาทางตัดกังวลในร่างกายซะก่อน ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเรามันมาจากร่างกายตัวเดียวความหิวเป็นทุกข์เพราะเรามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิวความหนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นทุกข์ก็เพราะมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่หนาวไม่ร้อนความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรามีร่างกาย ถ้าไม่มีร่างกายความปวดไข้ไม่สบายก็ไม่มีความต่อนาไม่สมหมังเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายความตายเกิดขึ้นเพราะเรามีร่างกายก็รูความว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่ปรากฏกับเราก็คือมีร่างกายถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องวิยามปฏิบัติตามคำแนะนำของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระชัยเป็นวิริษ น, นายาณแต่ความจริงรก็ใช้เป็นสกุลผีว่าอิจารวสังขาราแปลวสังขารทหลายไม่เที่ยงหนออุปายธรทรมจะทมนินโเนมอเกิดขึ้นแ้วก็เสื่อมไปอุปัชิตวานิรุตจันติเกิดครั้งแล้วก็ดับไปเตสังบูปสมโมสุโ ข, ขการเข้าไปสงบกายนั่นเฉียวเป็นสุข ในความหมายความถ้าเราต้องการความสุขจริงๆในพ้แจากความทุกขก็ต้องเป็นคนไม่มีร่างกายคนไม่มีร่างกายจะมีได้อย่างไงก็มีได้เฉพาะหนึ่งเราตัดกิเลสให้เป็นสมุติเฉดระหานโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงร่างกายร่างกายจะปวดจะเมื่อยเป็นธรรมดานุร่างกายร่างกายจะแก่เป็นธรรมดานุร่างกาย ทางด้ธรรมดาร่างกายจะป่วยไขย้ไม่สมบายเป็นธรรมดาของร่างกายร่างกายอยตายเป็นธรรมดาของร่างกายในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แก่ก็มีป่วยพันธุกรมมีตายต่อจากนี้ไปเมื่อร่างกายนี้สลายตัวไปเราต้องการจิตจุดที่มีความสุขใหญ่มีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์ก็คือพรนิพพานหลังจากนั้นจิตใจของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมีความสุข อารมณ์จะสะอาด จ, จะกิเลสแล้วก็เริ่มภาวนาภาวนาให้ใจเข้านึกวันนะมา ใ, ใจออกในภาทะถ้าเป็นอย่างนี้นะเวลาที่จะใช้กำลังทิกบุญญาจริงจะมีสภาพแจ่มใสมากในวันนี้เวลาวิถีเวลาปฏิบัติเมื่อบันดาจพุทธบริษัทเริ่มปฏิบัติตั้งบงกปฏิบัติ แต่อันดับแรกผู้แนะนำจะให้แนะนําให้ภาวนาประมาณสิบนาที <c oughs> หลังจากนั้นแล้วก็จะมีคนเข้าไปแนะนําขณะที่มีคนเข้าไปแนะนำํำในขอบรนดาในาาพุทธบริษัททุกคนถ้ามีคนไปนั่งข้างหน้าก็ดีหไปนั่งกลางวงก็ตามขอเวลานั้นทุกคนเลิกจากภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนาแล้วเลิกจากการรู้ลมหายใจเข้าออก ลอยใจตามสมบายแตะเอาใจเข้าไปรับฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำจะแนะนำในการตัด ก, กิเลสขณะนั้นเขาจะแนะนำในธรรมะในด้านของการตัด ก, กิเลสเห็นโทษของกิเลสขณะที่เราตั้งใจฟังคำแนะนำอยู่เวลานั้นใจของทุกคนจะว่างจากกิเลสอารมณ์เป็นทิศจะเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อผููแนะนําเห็นว่ามีความเป็นทิพยเริ่มทรงตัวเขาก็จะแถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้ า, างหน้าบ้างท่านก็ถามอย่างนี้ให้ทุกคนรู้ใช้ยอมรับสักถือกำลังใจเป็นสำคัญให้ถือความรู้สึกเป็นสำคัญใ่าก็ถามว่ามีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้ า, างหน้าบ้างถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัว ไม่ต้องกลัวผิดเพราะลมที่มีความรู้สึกแรกจะตรงตามความเป็นจริงเสมอแต่ก็ถามว่าท่านได้อยู่ก็น่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามนั้นถ้าว่าเวลาที่ฝึกกรรมาฐานพระเอเวเทิดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีพระก็ดีท่านมาส่งเคราะห์มากพระก็ท่านก็ถามว่าท่านบนนั้นแต่งตัวเสียอะไร ถ้ามีความรู้สึกยังไงตอตามนั้นแต่นี้หากว่าบังเอิญท่านที่ได้สมาธิมีความเป็นทิพย์แจ่มใสท่านมีความรู้สึกกับจะภาพก็เห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากแต่คนที่ได้มีจิตสะอาดเล็กน้อยแปลงกลางจิตจะมีขนาดมีความรู้สึกจิตจะเห็นภาพไม่ชัดนักถ้าท่านจิตสะอาดน้อยจิตมีความรู้สึกแต่เมินภาพให้เชื่ออารมณ์ของจิต แ้ะต่อไปครูเขาอาจจะแนะนำให้ตัดจิเลสอีกคั้างหนึ่งเพื่อความสายของจิตยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเขาจะพาไปสวัสด์ชั้นดาวดึงสถิวโลกไปที่พระจุรามุนีจีริสถานอันเป็นสถานที่นรรมสถานพระศิวดาดวยกอมแล้วก็ในที่นั่นท่านจะพบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พรหมศิวดา หลังจากด้านถ้ามีกําลังใจแก่กล้าเขาก็จะพาท่านปฏิพาวนี่เฉพาะท่านที่ฝึกใหม่นะท่านจะฝึกกล่าวพให้พาท่องเที่ยวไปในพบต่างๆเพื่อการซักซอนสมาธิอรบรรดาญาโยามมรรคบริ ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษัททุกคนเวลานี้ก็หมดเวลาที่จะคุยตอนนี้ไปเขาทุกท่านตั้งใจสมาทานศีล ส, สม า, ามมทานมรรคฐาน